2อ1ผู้วิปลาดยังเสพกามาสุขเป็นนิพพานในปัจจุบันแม้แต่กามคุณห้าแท้แท้เขายัางวิปลาดได้ว่าเป็นนิพพานจากพระไตรปริฎกเล่ม9ข้อห0สวงเล็บห8ปดวงเล็บหนึ่งมีเนื้อความอยู่ว่าดูกราภิกสูทั้งหลาย สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเพราะอัตตนี้อิ่มเอิบพรั่งพร้อมเพลดิดเพลินอยู่ด้วยกามคุณหา้าฉะนั้นจึงเป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่งพวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่านิพพานในปัจจุบันทิฏฐธรรมนิพพาน เป็นธรรมะอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้นั่นคือคนมิตรชาทิฏฐิที่มีทิฏฐิวิปลาสหลงวิปริตผิดเพี้ยนว่าอัตตานี้อิ่มเอิบพรั่งพร้อมเพลิดเพลินอยู่ด้วยกามขุณห้าฉะนั้นจึงเป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบันซึ่งเป็นธรรมะอย่างยิ่งนี้คือผู้เสพกามขุณห้า เป็นนิพพานในปัจจุบันประมะทิต ธ, ธรรมะนิพพานัปปโตตรวจดูได้จากพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ50ลงเล็บ 58.1 ยืนยันไว้ชัดเจนอย่างยิ่งกันปาชนีเพราะเขาหลงว่าสุขคือความจริงนั่นเองทางทางที่สุขมันเป็นเทศอริกะ พระพุทธเจ้าตรัสว่ากามเป็นสุขาริกะแต่เมื่อไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตามันก็ยังหลงเสพกามโอลาลิกาอัตตายังหลงเสพรูปมโนมยอัตตาอารูปอารู ป, ปะอัตตาอยู่กามนั้นเป็นโลกิยรสมีในปัจจุบัน ต้องปฏิบัติละเลิกในขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอยู่กับโคจรรูปห้าทำหน้าที่อยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไวช้ชัดเจนว่าปัจจุบันเท่านั้นที่คนจะศึกษาและพิสูจน์ความจริงของนิพพานได้และกรมจัดกิเลสได้ครบทั้งสามภพแต่กระนั้นก็ยังมีคนวิปลาส โดยมีความวิปริตผิดเพี้ยนไปว่าเสพกามคุลห้านี้แหละเป็นนิพพานในปัจจุบันทว่าจริงๆนั้นในสิ่งที่เขาเสพในปัจจุบันอยู่นั้นมันไม่ใช่นิพพานมันคือกามกุลห้าต่างหากอนาคตของเขาจึงยังอีกไกล น, นักที่เขาจะไปถึงนิพพาน ชานีแลคือผู้มีจิตวิปลาสว่านิพพานะประมังสุขขังแต่คนผู้นี้ยังเข้าใจทิฐิสุขขังของนิพพานไม่ได้จึงมีมิจฉาทิธฐิอยู่จริงเขาก็มีชีวิตอยู่ด้วยสัญญาวิปลาสโดยมีชีวิตกาหนดเอากามคุณห้าเป็นภาวะที่พึงมีพึงได้สุภะ เขาจึงสุขเพราะได้เสพกามนั้นแหละว่าคือนิพพานเป็นประมังสุขขังสุขอย่างยิ่งไปตลอดนิพพานของคนผู้นี้จึงยังอยู่ในอนาคตอีกไกลสำหรับเขาเพราะเขายังงมงายในสุขอย่างยิ่งประมังสุขขังว่าเป็นนิพพานในปัจจุบันที่เขาอยู่กับกามะสุขขลิกะไปตลอดกาลที่ยังไม่ลดละ ขณานี้เขาวิปลาสเขาหลงผิดเขายังอวิชาเต็มบ้อง